อะไรก็ดีนะก็แล้วนั่งภาวนาแล้วก็หัดตายนั่ น, นีองตายสิเราไม่เอาอะไรจิตใจหยุดคิดเลยหยุดปรุงแต่งเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้โมนี้ไม่ไม่ให้มันมีอะไรสมมุติว่าเราตายจากโรคอันนี้แล้วอ่ะจิตมันหยุดคิดหรอมันก็เหมือนกับว่าตายจากโรคนี้นั่นเองให้ทําในใจอย่างนี้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 ทีแรกคนเราก็ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละในชาติขอนนู่นหลังพอตายลงกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำในชาตินั้นะมันก็นำดวงกิเวิ ญ, ญญาณมาเกิดในชาตินี้นี่รูปร่างกายอันนี้ก็กรรมดีกรรมชั่วแต่งให้จึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไปแต่งเอาได้ตามประสงค์เมื่อไหร่แล้ว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 เห็นนึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อใครอันตรายใดๆเพราะถึงจะกลัวอะไรมันก็ไม่ฟังไม่มีอะไรจัดอันตรานได้ไอความกลัวนะี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจเสียเปล่าเป่ๆถ้าไม่กลัวแล้วมันไม่เป็นทุกข์ใจนี่เอาจะเอาทางไหนวนันนี้เอาทางกลัวเลยว่าเอาทางไม่กลัวก็ต้องถามตัวเอง ทุกคนก็คงจะเอาทังไม่กลัวนัว่นแหละเพรเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจเป็นอย่างนั้นถ้ากลัวแล้วมันเป็นทุกข์ใจมันเดือดร้อนไม่มีสติคนเราถ้ากลัวเอากเข้าไปแล้วควบคุมจิตไม่ได้แล้วจิตก็เลื่อนลอยไปทั่วแล้วแบบนี้นะเอไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดไว้หัดนึกถึงความตายไปจนว่ามันเห็นเป็นเรื่องธรรมดา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 จิตนี่มันจะหวงขันห้าอยู่อมันจะสําคัญว่าขันห้านี่ยังยังไม่แตกยังไม่ดับก่อนยังจะอยู่ยังยืนไปอะไรทํานองนี้นะมันจะสําคัญอยู่อย่างนั้นถ้ามานึกถึงความตายไปบ่อยๆเขาโอ้ความตายนี่มันมีระหว่างความตายกับความเป็นอยู่เนี่ยมันมีลมหายใจเป็นสั ญ, ญลักษณ์ออ ถ้าลมหายใจนี่ยังปรากฏอยู่ <c oughs> ก็แปลว่ายังไม่ตายแต่ถ้าลมหายใจนี่หมดลมอะไรแล้วก็เป็นอนว่ตตายนี่นี่แหละเราต้องพี่นณาทั้งสองทางเลยทีนี้เมื่อเวลาที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันก็เลยพบตั้งแต่ความยุ่งยากพบตั้งแต่เรื่องขัดค้องอะไรต่ออะไรในโลกสันนิบาตอันนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นไอ้ลักปราทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นความยุ่งยากอย่างนี้หละโดยเฉพาะผู้ครองเรือนะั้นยิ่งยุ่งหลายยิ่งลําบากไงถ้าไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายเอาแล้วนั้นแหะยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบนี้นี่นเป็นอย่างนั้นไม่มีข้าวจะกินก็ยิ่งทุกข์หลาย ถ้าเงินขาดมือสักอย่างเดียวแล้วก็เดือดร้อนกันเลยพวกอยู่คลองเรือนแล้วผู้อยู่คลองวัดก็เหมือนกันนะลองคิดดูอ่ะอืมนี่แหละคลองวัดนี้ทาเงินขาดมือลงไปแล้วก็เอาแล้วอุ้นกันแล้ววัดอ่ะไหนข่า้น้ําไหนข้าวไฟไหนข่าลงครัวไหนข่า คนงานทำงานในวัดนู่นมันมันจำเป็นต้องจ่ายด้วยวันนี้นะนั่นแหละถ้าไม่มีเงินเราจะอไเราจะอยู่กันได้เราอยู่กันไม่ได้เลยแต่ว่าทางวัดนี่เราอยู่ด้วยบุญนะนั่นแหละเอาบุญว่าเราไม่ได้ไปดิ้นรน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 มันนี่ถ้าบุญเรามีมันก็โดนบันดาลให้มีมาอย่างนี้แหละมันมีมาโดยชอบทมเราก็บริโภคมันถ้ามันมีมาโดยที่ไม่ชอบทมเราก็ไม่เอาเพราะเราถือธรรมเป็นใหญ่การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะถ้าเราไม่ถือธรรมเป็นใหญ่ลราชีวิตนี่หันเหไปทั่วเลยหันไปทางดีก็มีหันไปทางชั่วก็มี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 ผู้รู้แจ้งในกรมในผลของกรมอย่างว่านี่แหละจะเป็นนักบวดข้อดีเป็นครังหัข้อดีก็จะจะไม่ตกต่ำคาว่ารู้แจ้งหมายความว่ารู้ทั้งกรมดีรู้ทั้งกรมชั่วนะรมชั่วมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นกรมดีมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ให้มันทั้งสองอย่างอย่างนี้มันแจ่มแจ้ง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 ศาสนาอื่นนะเขาไปเชื่อตั้งแต่สิ่งภายนอกนู่นว่าเป็นเหตุทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ลัที่อื่นศาสนาอื่นอย่างนี้เลยเขาจะทำพิธีบวงสวงบูชากําจัดปัดเฝา เ, เข้าใจว่ามันมีตัวมีตอนอะไรมาทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกายนี่นะ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 พระองค์ไม่เห็นอย่างนั้นันนี้พระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งว่าร่างกายนี่มันจะเป็นดีหรือเป็นชั่วไปยังไงยังไงมันก็เกิดจากกรรมในอดีตที่ทำมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่างนี้นะกรรมในอดีตตามมาตกแต่งให้ทั้งนั้นเลยวันนี้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำเอาในปัจจุบันนี่ มันก็ืจะติด ต, ตามไปตกแต่งให้ในภพในชาติต่อๆไปอีกนี่บุคคลผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดนะทํากรรมดีมันก็เป็นบุญกุศลไปทํากรรมชั่วกเป็นบาปไปอย่างนี้แหละคนละ ก, กิเลสยังไม่หมดนะเมืนท่านผู้ลา ก, กิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านทาอะไรลงไปแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเลยเป็นตะกิริยาเท่านั้นเองนะออ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 นั่นแหละซึ่งไม่เหมือนอยังคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสคนยังไม่สิ้นทุกข์เออทำความดีอะไรก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นภยนัยขอให้พ้นจากกิเลสบาปประรมทั้งหลายนี่คำนัเพราอว่าเราอธิฐานเอาบุญเอากุศลที่เราทำนั้นก ค, คจัดกิเลสบาปธรรทกรรมมันชั่วซึ่งก่อควรให้เป็นทุกข์อยู่ในชีวิตจิตใจอันนี้ให หมดไปสิ้นไปนี่แหละสำหรับผู้ยังไม่สิ้นกิเลสนะการทำบุญทำกุศลทำความดีนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อประสงค์อย่างว่ามานี่ต้องให้เข้าใจกันบางคนก็พูดออกมาว่าผมทำบุญกุศลไม่หวังเอาอะไรไม่หวังผลอะไรเลยโอ้ยอย่างนั้นมันไม่ถูก่ะ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 ทำแล้วไม่หวังผลอะไรวะแต่ถ้าเราทําความดีไปถึงที่เต็มที่แล้ววันนี้ความดีอันนั้นมันกําจัดกิเลสบาประธรรมหมดสิ้นไปแล้ววันนี้เออนั่นแหละวันนี้เราทําอะไรก็ไม่หวังผลอะไรทั้งน ốt วันนี้ถูกต้องถ้าผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่ายังละกิเลสบาประธรรมไม่หมดแล้วไม่ไม่ได้ทําอะไรลงไปต้องหวังผลเลยอื ของผลคือให้สิ้นกิเลสให้หมดกิเลสบาปประทัต้องให้เข้าใจอย่างนั้นนี่หนละมีคนอยู่เป็นจำนวนมากเข้าใจผิดไปคันมันเกิดความรู้ขึ้นในธรรมมันก็ผลรู้เกินมันไม่พอที่มันเกินส่วนไปสักอย่างนี้นะมันไม่เป็นมัติมาสายกลางเพราะฉะนั้นเราฟังทำกันอยู่ยบ่อยอย่างนี้มันต้องให้รู้ความหมายนะ อรู้ความหมายเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์สอนให้คนเรานั่นมีสติมีปัญญามาเพ่งพินิษฐดูชีวิตอันนี้นะอดูร่างกายสังขารอันนี้ว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรมันจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ลําพังสติปัญญาของเรานัะเราไม่สามารถที่จะพิจารณาตัวเองได้เลย ไม่ทราบว่าตนเกิดมายังไงเป็นยังไงอไม่รู้ไม่รู้ จ, จริงๆเนี่ยแต่แต่เมื่อยังไม่ได้สนใจธรรมะคําสอนของพระเจ้าผู้พูดอยู่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมืดแปดด้านเลยอย่างนี้เนี่ยต่อเมื่อได้มาศึกษาสะดับตับฟังคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปก็จึงได้รู้ว่าอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงได้รู้จึงได้เข้าใจ ที่ได้กระปวดอยู่วันบ้านอาพอไม่เห็นพระเนนทําผิดวินัยเข้าไปอย่างนี้แล้วเวลาประชุมกันเจยว่าเราก็ชักชวนเพื่อนเอ๊พวกเราเลยมันบวชเข้ามาแล้วมาทําผิดวินัยอยู่เนี้ยล่วงวินัยอยู่นี่มันจะได้บุญกุศลอะไรแล้วผมว่านะถ้าเราบวชเข้ามานี่ยเราต้องหวังบุญกุศลหวังชําระตนให้สะอาด ควรปฏิบัติตามพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามเราไม่ทําอะไรก็เราก็ไม่ทําอย่างนี้จะไม่ดีเหลอเอาไหมพวกเรามาปฏิบัติตามพระวินยัยอย่างนี้องโน้นก็บอกผมไม่ได้ทําไม่ได้องค์นี้ก็บอกผมทําไม่ได้อถ้าหากว่าใครก็ทําไม่ได้แล้วผมก็จะไม่อยู่กับพวกท่านนละผมจะหนีเข้าป่าไปเลยนะออ จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อพระวินัยอเนี่ยอย่างนี้ในที่สุดก็ได้หนีจากวัดบ้านจริงๆนันหนีเข้าป่ามาสำรวมกายวาจาใจขงสนตามธรรมตามวินัยก็จึงได้ความสบายกิจสบายใจมาโดยลำดับการประพฤติปฏิบัติมาไม่มีถอยหลังเลย นี่จะทำพยายามก้าวหน้ามาเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์มันก็จึงสม่ำเสมอมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันมันเป็นอย่างัไนเรื่องมันนะคือมันต้องเกิดความรู้สึกขึ้นในใจสะก่อนที่ยกเรื่องราวสองส่วนตัวมาเล่าถูกฟังนี่ก็เพราะว่าต้องการอยากให้ผู้ฟังนั้นได้ระ ล, ลึกถึงตัวเขาตัวเอง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 เลี้ยงกี่เลยให้มันอ้วนออย่างนี้แหละมันนึกถึงตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปยออ่อท้อถ้าหากว่าเราไม่มีกี่เลยตัณหารบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะพวทีเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงข้อวัตรปฏิบัติไว้ให้พุทธวิสัชน์ ท, ทั้งหลายปฏิบัติตามการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้นี้ก็เพื่อ ให้ปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนํานั้นแล้วกิเลสมันจะน้อยจะได้ดเบาบาง อ, อุปจากรขีดใจนี่ความหมายของข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามเป็นอย่างนี้นะดังนั้นการที่ราพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะอือย่าพากันไปย่อท้ออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหะถ้าไม่มีกิเลสตัณหาในศาสนาก็ไม่มีเลย เขาทรมาวินัยของพุทธเจ้าเขาไม่มีขอให้คิดดูอย่างนี้กันแล้วกันนะเหตุที่จะมีพุทธศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะเหตุว่าท่านผู้สร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นโลกพุทธเจ้าก็เพราะเพราะองค์ท่านมองเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่ยเบื้องต้นนะเมื่อเมื่อเมื่อมองเห็นตัวเองว่าเป็นทุกข ก, กิเลสตัณหาแล้ว มันนี้ก็มองเห็นบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทั้งหลายก็เป็นทุ ก, ทกข์เพราะกิเลสตัณหาในเหมือนกับเรานี่แหละอย่างงี้นะวันนี้ต่างคนต่างก็ไม่รู้หนทางไม่มีอุบายแยกภายที่จะมาระ ง, งับกิเลสตัณหานี่ได้เลยเอาทายอย่างนั้นเราจะต้องสร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าซสก่อนมันถึงจะสามารถละกิเลสตัณหานีนให้ขาดจากสันดานได้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 อ, อก็คิดว่าก็เพราะกิเลสมันมีในหัวใจนั่นแหละพระองค์เจ้ายังสอนให้ปฏิบัติทำนี่จะธรรมะเท่านี้แหละระงับกิเลสบาปธรรมในหัวใจของคนได้ทํากับวินัยนี่นะนั่นแหละหรือว่าศีลกับธรรมนี่นะระงับความโลภความโกรธความหลงมาหน้าทิศสัพพสังกิเลน้อยใหญ่ทั้งหลายให้น้อยบอบางหรือหมดสิ้นไปจากกิจใจ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 เงินทองเข้าของมันจึงมันจึงทําทานได้ถ้ายังหวงแหนเงินทองเขของอยู่ทําทานไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความโลภมันก็ไม่เบาบางแก่กิตใจนั่นแหละให้คิดดูในนั้นเนี่ยเราจะไปเอาเวทมนตรคาถาหรือไปก้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดสักลโลกให้มาขจัดความโลภนี่ออกจากหัวใจอย่างนี้นะ่ะมันจะไปได้ยังไงอะขจัดไม่ได้เลยถ้าขจัดได้อย่างนี้ พวกนับถือศาสนาอื่นเขาใช้เวทมนตร์คาถากันมันก็มันก็ทำละกิเลสกองทุกได้หมดอ ส, สิแต่นี่ปรากฏว่าไม่ไม่ระงับกิเลสกองทุกไม่ได้เลยอ่มีเอเบียนกันอยู่อย่างนั้นค่ากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราเราฟังดูเราสังเกตดูถ้าผู้ใดละกิเลสตัญหาได้ตามที่ ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเราท่านเหล่านั้นไม่เบียดเบียนใครน ะ, ะมีแต่อำนวยความสุขความเจริญให้แก่พวกอื่นเท่านั้นเองทำอะไรไมใ่ให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยไอ้คนพูละกีเลศบาปธรรมออกจากหัวใจเระมันเป็นอย่างนี้นี่มันมันมันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ทำไมเราถึงจะมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาะล่ะทำไมเราจริงจะมองไม่เห็นคุณแห่งข้อวัดปฏิบัติศีลอย่างนี้นะการรักษาศีลอย่างครึงคัดเข้าไปจริงๆเ อ, อี่ยเนี้จนเป็นปรมาถศิลลงไปอย่างเนี้มันก็ทําลายความโกรธความมายาบาทอันมีในหัวใจมาแต่ก่อนนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจ แต่ถ้าคืนยังโกรธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทําลายสินเนี่ยเมื่อผู้นั้นเขารบต่อสินอยู่เห็นคุณของสินว่าจะพาตนใด้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้มันก็ไม่มันก็ไม่โกรธทีนี้นะใครจะมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อดเอาทนเอากําหนดละกันไปเรื่อยไปความโกรธมันก็เบาไปเรื่อยอเพราะว่าเรารู้ต้นเหตุมันอยู่นี่ถ้าคืนโกรธ ม, มากๆเข้าไว้ก็ทําลายสินให้หมดเพตอะ น, นั้นเอง คนไม่มีศีลแล้วก็มีแต่บาปเท่านั้นแหละเป็นเจ้าเรือนอยู่ในหัวใจนี่คุณของศีล่ะจึงชื่อว่าประเสริฐล้ำเลิศคัดจัดของโกรธความวามายาบัตในหัวใจออกไปเอาศีลแล้วก็ทำบัดนี้ทำก็คือเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็สนัสนบสนุนศีลให้บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นนะ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 พุ่งซ่านเลื่อนลอยบางซิ่ก็ไม่มีอุบายจะแก้ไขเลยก็มีเฮ้ยทำไมจิตนี่พุ่งส่านเลื่อนลอยแล้วเกินนี่ทํอย่างนี้นก็ไม่อยู่นต่ลองคิดดูสินี่แหละการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าอย่างจริงจังนะชีวิตนี่ยมมืดบนอนธการไม่รู้จะขนทางดับทุกทางใจได้เลยนี่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 อตอกนั้นสักอันนี้ไปแกล้งไปแกล้งมาไปถูกอันนั้นเข้าไปโอ้ไม่ได้นี่ว่าตอเนี่ยเลีกไปตามนั้นแหละแต่ไม่เห็นรูปร่างของตอเลยอันนี้ฉันใดจิตใจคนเราเมื่อถูกอวิชชาตันหามครอบงําแล้วก็มืดมลเหมือนกับคนตาบอดภายนอกนี่แหล ะ, ะก็เป็นอย่างนั้นนี่ เพราะฉะนั้นแหละผู้ใดมาเห็นว่าต น, น, นยังมืดบอดอยู่เนี่ยอันทางที่จะทำให้หายมืดหายบอดก็ภาวนาทำใจสงบลงไปอย่างว่านี่สินั่นแหละถ้าผู้ใดชอบมีจิตพุ่งสร้างเลื่อนลอยนี่กรรมาฐานอื่นนัไม่เหมาะหรอกมีแตอนาฟาราสตินี่นะเหมาะนะตั้งสติแผงลมหายใจเข้าออกอธิษฐานใจเลย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 ไม่ต้องไปดึงเอาความคิดความจําความหมายอะไรที่มันคิดไปแล้วนั้นเข้ามาอย่างอย่างคนบางคนว่าวมันไม่ไม่ใช่ไปดึงกันมาได้เลยมันมีไม่มีรูปร่างอะไรไปดึงเอาอะไรเราอ่านมีแต่ตั้งสติกําหนดความรู้สึกอันนั้นไหมอ่อแล้วก็กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเผลอเผอไปแล้วก็ตั้งสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหม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 นี่ก็เพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นนะประคองความรู้นั้นอยู่ยน่ะเมื่อไห้ว่ามันจิตนี่มันวางอารมณ์ได้จริงๆนะนะมันหยุดคิดหยุดนึกแล้วก็มีสติประคองไว้ยอย่างนี้นะนี่ได้เข้าใจเราไม่ต้องไปสงสัยลังเลยอะไรหรอกที่มันจิตสงบลงไปนะั้นเพราะทำความเพียไม่พอนี่ความหมายนะ่ะ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 จิตมันไม่มีโอกาสจะคิดไปทัางอื่นก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตคลายแล้วมันก็ดับไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันอพออารมณ์ต่างๆดับไปจิตรู้สึกเบารู้สึกปลอดโป่งรู้สึกเบารู้สึกโปรงสว่างภายในนี่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายมันออกจากนะจิตนะจิตก็จะพองใสขึ้นมาปลอดโป่ง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 เฮงความรู้อันนั้นแหละให้สติมันแก่กล้ามันควบคุมความรู้สึกนั้นให้นิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อมันนิ่งเป็นนานเข้าก็ก็อย่างว่านั่นแหละไออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือเอามาซ่อนเล่นอยู่ภายในจิตใจนั่นอำนาจแห่งความสงบอํานาจแห่งสมาธิเนี่น มันทับอารมณ์เหล่านั้นนะอารมณ์นั้นอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้มันยังได้ถอนออกไปบางทีมันก็เกิดเป็นมิตรเป็นเห็นรูปต่างๆหรือได้ยินเสียงต่างๆมาอย่างนี้นะหรือเห็นสีสันวันถะต่างๆปรากฏขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมา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 อย่าไปโยท้อเมื่อเราได้มาสู่สถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติแก่การทำความเพียรแล้วเช่นนี้เราก็ทำความเพียรไม่เห็นแก่รับแกนอนเอาจนว่าใจที่ไม่ไม่ได้ส ง, งบลงมาแต่ก่อนก็ให้มันส ง, งบลงไปเอามันส ง, งบอยู่ไม่นานก็ก็ก็ไม่เป็นไรพอมันถอนองมาเราก็เจริญปัญญาต่อ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 สมาธิออกมาแล้วอย่างนี้เราก็กําหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์อันนี้เรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่จะให้จะให้จิตของเราม่นั่นเบื่อไดอยแค่นี้นะก็อย่างว่าจับเอาเรื่องตายอย่างนี้นะมาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจรารณาอาเมื่อจิตวิญ ญ, ญาถอนออกแหกร่างนี้แล้วจะเป็นยังไงร่างกายอันนี้นะ่ะออเป็นยังไง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 นี่เราจับเรื่องนี้ได้ก็เอามาพิจารณาเพ่งให้อุคหารอิมิตมันเกิดขึ้นอลองดูสิมันจะเกิดไหม <S <S เห็นภาพร่างกายในเน่าเฟยน้ำเหลืองไหลมีหนอนยั่วเยี่ยอะไรอย่างนี้นะมันจะปรากฏไหมในมนโนาธาตุนนะ่ะนะเอาเพ่งอย่างนี้จนถึงกับว่ามัน เปลยละลายออกไปเหลือแต่กระดูกวันนี้เอากระดูกทําไปเผาไฟบมดเผาไฟมันกรอบแล้ววันนี้เอามาบดเอามาตําใส่ครกตำให้มันละเอียดเป็นผงเลยพอเป็นผงแล้ววันนี้ก็ซัดไปตามลมก็ไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้ววันนี้มดไปเลยนีออนั่นแหละ <c oughs> เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ ควรกระแสมาถามตัวเองอะไหนที่ว่าตัวตนของเรามีอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างงี้นะตรงไหนเราเป็นตัวเป็นตนนะอมันก็จะต้องตอบตัวเองทันทีเลยไม่ไม่มีตัวตนนะไม่มีตรงไหนเป็นตัวตนสักหน่อยเดียวนะมีแต่สารภาวะธาตุดินน้ําไฟลมเมื่อมันแตกสลาาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็สูญหายไปอย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตน ที่เป็นที่น่ายินดีน่าพอใจหรือว่าน่าเกรียดน่าชังหมดนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงชังรูปกายอันนี้ต่อไปเมื่อเห็นแต้งแจ้งตามไม่จริงอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาสอนจิตจะนี้เข้าไปอจิตมันก็เห็นชอบตามปัญญาเราก็ค่อยคลายความยินดีไร้ในรูปกายนี้ออกไปเรื่อ ย, ยไปนี่โอบาย การเจริญสมถาวิปัสนานะี่มันต้องอย่างนี้ผู้ไม่เข้าใจอย่างนี้มุ้งเอาแต่ใจสงบลงอย่างเดียวให้แต่ใจสงบเป็นหนึ่งถ้าใจสงบเป็นหนึ่งอยู่ได้นานไปนั้นจึงชื่อว่าตนภาวนาเป็นแล้วก็ได้ความสบายใจดีไม่อยากคิดอะไรให้ลําบากอะไออย่างนี้มันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นะไม่ได้ปัญญาเนี่ ได้แค่สมาธิมันก็เพียงแค่ได้สะกด ก, กิเลสให้ระ ง, งับไปชั่วคราวเท่านั้นเองพอจิตถอนจากสมาธิแล้วกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะตอเมื่อเราได้เจริญปัจุบายปัญญาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละเมื่อเมื่อจิตมันเห็นแจ้งชัดในรูปในกายนี้มันก็เกิดนิพพิทาเบื่อนหน่ายขึ้นมานี่โอ้ร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เนาะ ไม่ใช่เป็นของน่ารักน่าชังอะไรเลยเป็นของน่าเบื่อนายไม่น่ายึดไม่น่าถือกาเป็นของเราเอเมื่อมันเห็นอย่างนี้แต่มันจึงคลายออกไปวะเนี่ยคลายความรักความชังออกไปมันคลายไม่หมดทีเดียวก็คลายไปทีละน้อยนิดน่อยเราพิจารณาบ่อยๆเข้าไปมันก็คลายออกไปเรื่อยๆไปอันนี้เระเรียกว่าอุบายวิปัสสนาเมื่อเมื่อมันเห็นแจ้งทราบแต่แล้วก็วางไว้ตามสภาพ เราวางไว้ตามสภาพของมันเรียกว่าไม่ยึดถือแบบนี้นะ่ะเห็นแจ้งท้าทายสงสัยแล้วว่าของสินี้ไม่ใช่ของเราก็วางไว้อย่างนี้นะเหมือนอย่างเอเราเอาของคนอื่นมาอย่างนี้นะมาี่สูดน์ดไอของนี่ไม่ใช่ของเรานะรี่พอรู้ว่าเจ้าเราก็เอาวางไนวะ้วางไว้ที่เดิมมันให้เจ้าของเดิมเข้ามาเอาไป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 ยังไม่แจ้งเรื่องใดก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดเราก็พงก็วางลงเหมือนเดิมจนกว่าจะสมควรแก่เวลาก็เลิกลากันไปพักก่อนทำเรื่องนี่แหละการเจริญสมาธิศาสนาให้พึงเข้าใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ผิดทางสายกลางแน่นอนเลยทีเดียวดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้